คำว่าพเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองคือกรรมมพบกับพบในอันมีในปฏิสนธิเนี่ยนะกรรมมพบเป็นไนก็คือปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอนินชาพิสังขารเนี่ยเป็นกรรมมพบก็คือสังขาร3นั่นแหละเป็นกรรมมพส่วนปุภพอันมีในปฏิสนธิคือพบใหม่ที่มีในปฏิสนธิก็เป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีในปฏิสนธิเรียกว่าพบใหม่อันมีในปฏิสนธิ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นไปล่วงทรงล่วงเลยทรงก้าวล่วงซึ่งกรรมภพและภพใหม่อันมีในปฏิสนธิเรียบร้อยแล้วจึงชื่อว่าพระองค์นี้ทรงถึงที่สุดแห่งโลกเป็นไปล่วงพบทั้งปวงพระองค์ไม่มีอาสะวะเนี่ยนะก็คืออาสะวะสี่กามาสะวะภวาสะวะทิถาสะวะอวิชชาสะวะ อาสวะเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วทรงละได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดังตามยอดด้วนถึงความไม่ให้มีในภายหลังให้มีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา พระองค์นี้เชื่อว่าเป็นผู้ละทุกทั้งปวงนะนะละทุกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชาติชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทุกในนรกเป็นต้นนะนะทุกในคติหรือทุกข์ที่เกิดทุกในหมู่มนุษย์โรคภัยไข้เจ็บอ า, าพาธที่เกิดจากสมุทฐานต่างๆความหิวความกระหายเป็นต้นหรือแม้กระทั่งทุกข์ที่เกิดเพราะเสียศีลเสียโภคะเจ็บป่วยเสียทิฐิเนี่ยนะ เพราะนั้นทุกทั้งหมดเนี่ยพระองค์เนี่ยละได้แล้วตัดรากขาดแล้วระงับแล้วไม่ให้เกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานเรียกว่าพระองค์ผู้ละทุกได้หมดแล้วพระองค์นี้มีพระนามตามเป็นจริงคือมีพระนามเหมือนนามจริงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกีเวสภูกกุสันทกโกนาขมนะกัสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายตรัสรู้แล้วมีพระนามเช่นเดียวกันมีพระนามเหมือนจริงคือพระนามจริงก็คือผู้โทนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สักยมุนีมีพระนามเหมือนจริงจริงๆก็มีพระนามจริงอ่างนั้นเถอะคำว่ามีพระนามจริงของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เหล่านั้นก็ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยเป็นคําว่าผู้โทนั้นชื่อว่าเป็นชื่อจริงๆแท้จริงเป็นผู้ประเสริฐอันข้าพระองค์นั่งใกล้แล้วก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันข้าพระเจ้านั่งเข้าใกล้ เข้านั่งใกล้กำหนดถามสอบถามแล้วฉันเรียกว่าพระองค์มีพระนามจริงเป็นผู้ประเสริฐอันฆ่าพระเจ้านั่งใกล้แล้วเพราะันพระปิงกิยะเถระจึงเล่าให้ภาบริพรามฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีพระสมัตะจักษุทรงบรรเทาความมืดทรงถึงที่สุดโลกล่วงพบทั้งปวงแล้วไม่มีอาสวะทรงละทุกข์ทั้งหมดแล้วมีพระนามจริงเป็นผู้ประเสริฐอันฆ่าพระเจ้านั่งใกล้แล้ว นกละป่าเล็กแล้วพึ่งอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้มากอยู่ชั้นใดข้าพเจ้าก็ชันนั้นละแล้วซึ่งพวกพราหมณ์ที่มีปัญญาน้อยอาศัยแล้วซึ่งพระองค์เป็นดังว่าหงอาศัยอยู่ในสระใหญ่ที่มีน้ำมากฉั้นนั้นอุปมาว่าละละทัทธิเก่าคือศาสนาพราหมณ์ทั่วไปเนี่ยหันกลับไปนับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอย่างกว้างขวาง เหมือนนกเนี่ยที่ละปลาเล็กเข้าไปอยู่ป่าใหญ่ที่มีผลไม้ดกฉะนั้นคําว่านกเนี่นะเรียกว่าที่ฉะเรียกว่าพวกเกิดสองครั้งอ่ะนะก็คือครั้งแรกเกิดในท้องแม่ครั้งที่2ก็เกิดในกระพองไข่ก็คืออยู่ในท้องแม่ก่อนนะนะตอนหลังก็อยู่ในไข่มันคลอดจากท้องแม่แล้วก็คลอดจากไข่เรียกว่าเกิดสองรอบ พวกนกเนี่ยละป่าเล็กเข้าไปอาศัยป่าใหญ่ชันใดก็คือนกละทิ้งร่วงเลยซึ่งป่าน้อยที่มีอาหารเครื่องกินน้อยมีน้ําน้อยพึ่งไปประสบพบป่าใหญ่ซึ่งเป็นไพรสนที่มีต้นไม้มากมีผลไม้ดอกมีอาหารเครื่องกินมากอื่นๆพึ่งสําเร็จอยู่ในไพรสนนั้นชันใด น, นะเพราะฉะนั้นนกละป่าเล็กแล้วอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้อยู่มากก็ฉันนั้น ข <half>. ้าพเจ้าก็เหมือนกันละพวกพราหมณ์ที Hi ่มีปัญญาน้อยก็คือละพาวรีพราหมณ์และพราหมณ์อื่นซึ่งเป็นอาจารย์ของพาวรีพราหมณ์นั้นเปรียบเทียบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาน้อยมากนะพาวรีพราหมณ์หรือว่าพราหมณ์ทั้งหมดนะปัญญาน้อยมากถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้านะเพราะว่าเป็นผู้มีปัญญานิดหน่อยมีปัญญาเล็กน้อยมีปัญญาต่ำช้ามีปัญญาลามกมีปัญญาสาม เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าล่วงเลยซึ่งพราหมณ์เหล่านั้นผู้มีปัญญาน้อยมีปัญญานิดหน่อยมีปัญญาเล็กน้อยมีปัญญาต่ำช้ามีปัญญาลามกมีปัญญาสามมาประสบพบแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วมีปัญญาเลิศมีปัญญาประเสริฐมีปัญญาวิเศษมีปัญญาอุดมสูงสุดไม่มีใครเสมอไม่มีใครเปรียบเทียบเป็นบุคคลหาใครเปรียบไม่ได้เป็นเทวดาล่วงเทวดาเป็นผู้องอาจกว่านรชนเป็นบุรุษศีหะ เป็นบุรุษนาคเป็นบุรุษอาชาในเป็นบุรุษผู้แก้วกลาดเป็นบุรุษผู้นำธุระไปมีพระธรรมเป็นผู้คงที่เหมือนหงเนี่ยพึงประสบพบซึ่งสระใหญ่ที่พวกมนุษย์ทำไว้สระอ น, นดาหรือมหาสมุทรที่ไม่กำเริบมีน้ำนับไม่ถ้วนฉันใดข้าพเจ้า เป็นพรามชื่อว่าปิงคียะได้ประสบพบแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วผู้ไม่กำเริบมีเดชนับไม่ถ้วนมียานแตกช้านมีพระจักษุเปิดแล้วทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีปฏิสัมพิธาทรงบรรลุแล้วถึงเวสาลัชยานแล้วน้อมพระไทยไปในพระสมาบัติอันบริสุทธิ์มีพระองค์อันขาวผ่องมีพระวาจาไม่ได้เป็นสองเป็นผู้คงที่ทั้งในอิทธารมอนิทธารมมีปฏิพานอย่างนั้น พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่เล็กน้อยคือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีธรรมะลึกมีคุณอันใครๆนับไม่ได้มีคุณยากที่จะยังถึงมีรัตนะมากมีคุณเสมอด้วยทะเลสาคอนประกอบด้วยฉลังคู่เปรคาไม่มีใครเปรียบปานมีธรรมะไพบูรณ์ประมาณไม่ได้มีพระคุณเช่นนั้นตรัสธรรมะอันเลิศกว่าพวกที่กล่าวกันนะพระองค์เนี่ยตรัสธรรมะที่เลิศเช่นอริยศาสตร์เนี่ยเลิศที่สุดแหละ เช่นกับภูเขาสิเนรุเลิศ ก, กว่าภูเขาทั้งปวงครุดเลิศ ก, กว่านกทั้งปวงสีหมฤคราชเลิศ ก, กว่ามฤตทั่วไปสมุทรเลิศ ก, กว่าห่วงน้ําทั่วไปเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นพระชิ น, นเจ้าผู้สูงสุดก็ฉะนั้นเลิศเลิศ ก, กว่าพวกพราหมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ฉะนั้นละแล้วซึ่งพวกพราหมณ์ที่มีปัญญาน้อยอาศัยแล้วซึ่งพระองค์เป็นดังว่าหงอาศัยสาใหญ่ที่มีน้ํามากฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระปิงกิยะเทระจึงกล่าว เปรียบเทียบอุปมาให้ภาวรีฟรังว่านกละป่าเล็กแล้วพึงอาศัยป่าใหญ่ที่มีผลไม้อยู่มากฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นละแล้วซึ่งพรามที่มีปัญญาน้อยอาศัยแล้วพระพุทธเจ้าที่เป็นดังว่าหงอาศัยสระใหญ่ที่มีน้ํามากฉะนั้นแล้วก็กล่าวชี้แจงต่อให้ภาวรีฟรังต่อไปอีกว่าในการก่อนคือก่อนแต่การาศาสนาของพระโคดม อาจารย์เหล่าใดพยากรณ์ว่าเรื่องนี้มีแล้วดังนี้เรื่องนี้จะมีดังนี้ น, นะคือคําของลัทธิทั้งหมดอ น, นะคํานั้นทั้งหมดเป็นคํากล่าวสืบสืบกันมาคํานั้นทั้งหมดเป็นเครื่องยังความตรึกให้เจริญก็คือเท่ากับบอกว่าวิชาก่อนหน้านี้ที่ข้าพเจ้าไปเรียนในลัทธิตามสํานักครูอาจารย์ต่างๆมาวิชาเหล่านั้นเนี่ยยังอกุศลวิตกให้เจริญทั้งนั้น น, นะนะไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เรียนมาจากภาวรีพราหม หรืออาจารย์ของพราวรีพราหม์หรือลทัทธิใดก็ตามเถอะก่อนที่จะได้มาศึกษาคําสอนของพระโคดมของพระพุทธเจ้าของพระชินะของพระตถาคตของพระอรหันเนี่ยก่อนจากนั้นวิชาที่ไปเรียนมาแล้วก็แหมก็คําเป็นคําที่สืบสืบกันมาคําทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยทำแต่อกุศลวิตกให้เจริญคือเป็นเครื่องยังวิตกให้เจริญยังความดำริให้เจริญ จเจริญยังไงก็คือการมวิตกจเจริญขึ้นพยาบาทวิตตกวีหิงสาวิตกก็จเจริญเอาจเจริญเอาถึงญาติบ้างถึงชนบทบ้างถึงเทวดาบ้างปฏิสังยุตต์มาแหมทุกสุขก็เข้าไปหมดนะ น, นะคิดแต่เรื่องลาบส ก, การะสรรเสริญหรือว่าปรารถนาไม่ต้องการให้ใครดูหมิน่นเพราะฉะนั้นเรียกว่าก่อนแต่ ก่อนกว่าจะไปนับถือศาสนาของพระพุทธเจ้าคำของอาจารย์ใดที่บอกสอนกันว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หนะ้าเรื่องนี้จะมีอย่างนี้นะคำที่อาจารย์ทั้งหลายพูดกันเนี่ยเป็นคำกล่าวสืบๆกันมาคำทั้งหมดเนี่ยยังอกุศลวิตกให้เจริญทั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น่ะพระองค์เดียวทรงบรเทาความมืดเสียประดับประทับอยู่แล้วมีพระปัญญาสว่างแผรัศมี พระโคโดมเนี่ยมีพระปัญญาปรากฏพระโคโดมมีปัญญากว้างขวางดังแผ่นดิ น, นก็ชมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เดียวนะคําว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวก็คือหนึ่งเดียวเป็นผู้เดียวโดยบรญชาสองผู้เดียวโดยไม่มีเพื่อนสองสาละตันหา4ปราศจากราคะหปราศจากโทสะ6ปราศจากโมหะ7ไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียว แล้วก็8ก็เสด็จไปตามเอกายนามก้าวก็ตรัสรู้เฉพาะซึ่งอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เดียวคําว่าพระองค์ชื่อว่าเป็นพระองค์เดียวโดยส่วนแห่งบรรประชาอย่างไรที่ว่าบวชคนเดียวเนี่ยนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงหนุ่มแน่นมีพระเกษรดํำสนิทประกอบด้วยวัยอันเจริญตั้งอยู่ในปฐมวัยเมื่อพระมารดาพระบิดาไม่พอพระไทยมีพระพักน้องด้วยอสุชนคือน้ําตาร้องให้คร่ําครวนรําพันอยู่ ทรงละพระญาติวงตัดกิเลสตัดความกังวลในคารวะสมบัติทั้งหมดตัดความกังวลในพระโอรสชายาตัดความกังวลในพระประยุรญาตตัดความกังวลในมิตรอมาปลงเกษาและมัสุแลว้วครองผ้ากาสาวพัดเสร็จพนวดเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลพระองค์เดียวเสด็จเที่ยวไปเนี่ยนะเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอริยาบทเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระองค์เดียวเพราเป็นผู้เดียวโดยการบรรปชา ส่วนคําว่าพระองค์เดียวเนี่ยนะเพราะไม่มีเพื่อนสองไม้เป็นอย่างไรก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวดแล้วอย่างนี้ทรงเสพเสนาสนะคือราวป่าอันสงัดมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากลมแห่งผู้สัญจรไปมาสมควรทํากรรมรับของมนุษย์สมควรเป็นที่เหลี่ยกร้นพระองค์ทรงลาเนินพระองค์เดียวหยุดอยู่พระองค์เดียวประทับนั่งพระองค์เดียวบรรทมคือ น, นอนพระองค์เดียว เสด็จเข้าบ้านบินธบาตรรับบินธบาตรแต่พระองค์เดียวกลับแต่พระองค์เดียวประทับนั่งอยู่ในที่รับพระองค์เดียวอธิษฐานจงกรมพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระองค์เดียวเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอริยาบทเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระองค์เดียวไม่มีเพื่อนส่วนคําว่าพระองค์เดียวเนี่ยนะทรงละกิเลสละตันหาถามว่าอย่างไรก็คือพระองค์เดียวเนี่ยไม่ได้มีเพื่อนเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรมีพระหฤทัยแน่วแน่ นะก็คือสละกายและชีวิตเริ่มตั้งมหาประทานที่ควงไม้โพพฤกฟฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงกำจัดมารกับทั้งเสนาซึ่งเป็นผู้เผ่าพันแห่งผู้ประมาททรงละบันเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีซึ่งตันหาอันมีขายเล่นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆ ซึ่งปกติบุรุษทั้งหลายก็มีตัณหาเนี่ยเป็นเพื่อนสองท่องเที่ยวไปตลอดการระยาวนานย่อมไม่ล่วงสังสาระอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นปกติสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะตัณหาพาเที่ยวไปจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งไม่ได้พ้นวะตะหรอกภิกษุผู้มีสติรู้โทษรู้โทษของวะตะนะและตัณหาเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์แล้วพึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่ถือมั่นเว้นรอบ อันนี้เรียกว่าเป็นผู้เดียวละตันหาเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้เดียวนั่งที่โคนมหาโพเนี่ยละตันหาได้พระองค์นี้เป็นผู้ส่วนเดียวปราศจากราคะโดยส่วนเดียวคือเพราะทรงใครทรงละราคะปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวพระทรงละโทสะได้แล้วชื่อว่าปราศจากโมหะโดยส่วนเดียวเพราะพระองค์นี้ทรงละโมหะได้แล้ว ที่ว่าพระองค์เดียวเนี่ยเสด็จไปตามเอกายนามัคเป็นอย่างไรก็เอกายนามัค ก, ก็เป็นชื่อของสติประธานสี่สัมมัตประธานสี่ที่บาสีอินรีย์าพละหโพชองเจ็อริยมัคมีองค์8เรียกว่าเอกายนามัคพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นธรรมะเป็นส่วนสุดแห่งความสิ้นชาติคือพระนิพพานทรงอนุเคราะห์ด้วยพระไทยเกื้อกูลคือกรุณาย่อมทรงทราบธรรมะอันเป็นทางแห่งบุคคลผู้เดียว ที่พุทธาที่บันดิตคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นในการก่อนเนี่ยข้ามแล้วพระพุทธเจ้าที่ที่จะมีข้างหน้าที่จะข้ามหรือพระอริยะที่ข้ามอยู่ในปัจจุบันข้ามโอหะด้วยธรรมะคือโพธิปัจกิยธรรมนั้นเรียกว่าเอกายนัมมัก